อืตั้งใมกันเนาะเพื่อประหยัดเวลาการแสดงธรรมไม่ใช่ภาษาสระเสวยอะไรกลับแสงอะไรเอารุ่มรุ่มดอนดนเข้าไป เวานี่เรามาเจริญสติปฏิหาริคของการลู่ตื่นอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นใช้เรื่องเล็กน้อยมาทำให้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติได้ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยชีวิตจะตกล่องโดยความคิดแต่ลมยํำคิดเรื่องเก่า แม่เป็นทุกข์เป็นโศกก็ยังหลงมันอยู่เราจึงมาเอื่นอยู่ถอนทวออกมาเหมือนช่างตกล่มมันก็ถอนทวมออกามาไม่ปล่อยมันจมอยู่แล้วชีวิตของเราเน่ยชีวิตมันเต็มไปด้วยสมมติด้วยโลกรถชาติต่างๆมากมาย หายเราจึงแม้แต่ความคิดก็จะประมาทมีสติเท่านั้นที่ไปเห็นความคิดเหตุผลต่างๆคนอื่นเห็นไม่ได้เพราะความคิดนี่ยังไม่สแสดงออกทางกายวาจาแต่มันก็เป็นกรรมมหนูกรรมได้กลัวมันจะแจ้งออกทางกาย ตั้งไว้ จ, จ่ามันก็มันก็อิ่มตัวแล้วความคิดเยี่หยาบพลายที่สุดเราถึงว่ากายอยาบไปฆ่าเขาก่อนเป็นลักของเขาก่อนประพื้ปิดในกามก่อนยังต้องปรบโทษตามนุธานนุโทษไปแต่ว่าจิตเนี่ย ไม่มีใครเห็นนอกจากตัวเราเทอานั้นที่มีสติเข้าไปดูไปเห็นเราจึงต้องมามีสติกันมาสร้างสติกันเป็นหลักเอาไว้ชีวิตเราต้องมีหลักไม่ใช่เลื่อนลอย ไหลไปอยู่เรื่อยไม่ใช่มันน้ำไหลแม่นม้ำน้ำลำปะทาวไหลผ่านหน้าวัดเราอยู่ไนะหลไปน้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่ไหลามาลรวดูนม้มนึกว่าน้ำไหลเห็นแต่เพียงน้ำ ม, มันไหลแต่ไม่เห็นน้ำเก่าน้ำใหม่ไหลไปจนถึงมหาสมุทรถึงทะเลก่อ เราเราตกถึงคีขีตกถึงมูลมูลถึกตกถึงหขงโขงตกถึงทะเลทะเลตกถึงมหาสมุทรกว้งใหญ่าาไพศาลเมื่อจนไปถึงมหาสมุทรแล้วใช่เลยไม่ได้เลยชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไปไกลเกินไปไปลักกลับมาไกลไปแล้วไปชังกันมันไกลไปแล้ว ไปโกรธมันไกลไปแล้วไปทุกไปสุกมันไกลไปแล้วไกลไกลไกลที่เพิ่งเหมือนเรื่องกาจินช่างกาจินช่างนะโบราณท่านพูดกันกาจินช่าง ลอยมาไม่เคยจวบในภาษาอีสานกาจีนสร้างเห็นกาเห็นสร้างลอยมากว่เคยจวบนกกิกแสวแล้วทักตวงก า, าเงยวายากฟังกาลงดินจีนไปต้วนเหตุพวมเรโม่ พ, มมพสันบาปกลับนำปองกาหลร้รสังตัวหลงวัดตงวง ช่วงจิตสวดกินเอ็นหอยสีตายช่อยกลางทะเลช่างมันลอยมาตัวใหญ่เหลือเกินตาเห็นแล้วก็ลอยขึ้นหอยอยู่บนซากของช่างยืนไปนกกิกตกแถวบันท่วงอย่าไปอย่าไปขึ้นฟังขึ้นฟั ง, ฟงกาก็เยอะไม่อยากฟังเลย เ, เราไม่ต้องหวังแล้วช่างตัวใหญ่แล้ว วินไปยิ่มามันก็หมดช่างกลัวเป็นช่างไปถึงทะเลลึกมองมาเห็นขอบว่าป่าไมา้พื้นดินซากของช่างมันก็จมลงน้ำํำกามวินขึ้นฝั่งไม่เห็นฝั่งบินไปไปมาก็จมน้ําตายอยู่กลางทะเลชีวิตของเราก็เหมือนกันบางทีอะไรอะไรก็สะดวกแก่เราในการ ลดของโลกทั้งหลายต้องการโลกก็ไม่มีโลกต้องการเสียงก็ไม่เสียงต้องการกลิ่นก็ม่กลิ่นต้องการสังปัดต้องการอารมณ์อะไรที่เป็นสุกสุกสุกสุ ก, กทั้งหลายบางทีก็มีทรัพสมบติมากไม่ตายง่ายอกเงินทองไม่เยอะก็หลงแบบบริจดเมื่อถึงเขาเคยเจีจะไปทํางาน แล้วก็มามีทางกันละจมลงไปกับความเจ็บความแจ่ความตายมากเท่าไรแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยหลงฝังศบของชีวิตประเภทนี้กันทมคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นเป็นของที่ประเสริฐตัดไว้ดีแล้วเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบกิเลสเป็นไปเพื่อนิพพาน นอกจากการเจริญสติเนี่ยมันเป็นไปนั่นผลของการเจริญสติมันเป็นไปจำลองนั้นเราก็ทำแค่นี้แหละรู้เท่า น, นี้แหละมันก็ทั้งหมดแล้วทั้งหมดของยืนเราแล้ ว, เ ร, รวเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวน่ะรู้สึกตัวรู้สึกตัวน่ะวิธีจะรู้สึกตัวไม่มีวิธีนใด สติปัฏฐานเท่านั้นสติปัฏฐานเท่านั้นที่ตั้งกรรมฐานเท่านั้นมีที่ตั้งมีการกระทำที่ตั้งก็ไม่ต้องหามีมาแล้วมีกายมีใจมีฐานคือกายคือใจสติตั้งไว้ที่กายที่ใจตั้งไว้ที่เป็นนิมิต เคลื่อนไหวไปมาเคลื่อนไหวไปมาเอาตังไว้ก่อนหนึ่งวันสองวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนสองเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีสองปีจีบปีหนีไปพุ่งแน่นอนรรมชาติโกดท้อง ร, รมชาติเป็นเปนเหมือนหลวงพ่อปกต้นไม้ในขอบสระตอกปกต้นพุทรา เราก็ไม่ปาดหน้าว่าขอให้ออกลูกให้เรากินด้วยพกไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภามาถึงเดือนไหนมันก็ออกดอกออกลูกแล้วตน้นแรกๆสองวันอะไรที่เราปลูกกไว้การปลูกสติมันก็เป็นดอกเป็นผลคือสุณะรมากเหตการเกิดเจอญิญตายมีสติเท่านั้น อยู่เป็นอยู่ในโลกอย่างสง่างามอย่างสง่างามเป็นการสรุลยชีวิตได้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่หนุ่มน้อยรอให้เท่าไหรแก่มันทำไม่ได้การเปึกประเภทนี้เอาความแก่เอาโอกาสหาโอกาสอย่าไปหาโอกาสให้หวยโอกาส เอามาใช้เพื่อมีสติแม้เราจะมาเืินอยู่ว่ามีสติได้ให้ขีทุกคนทำอาหารหลานข้าวมีสติกับการตำลังพริกการการหั่นผักเดินไปเดินมาจับช่อนจับแจงจับสามโลเึกตัวสนุกสนาน การมีสติทำอาหารอาหารก็อร่อยดีแซ่บดีตำน้ำเพลกก็ไม่เผ็ดถ้าคนมีสติดีถ้าคนมีสติถ้าคนไม่มีสติ <c oughs> เคียดยุ่งยากเบือก็เพียบตน้ำเพลก็เผ็ดมากกินอะไรลองดูสิเหมือนแม่ป้อนข้าวลกูกป้อนน้มใจเข้าไปด้วย เวลาพ่อนข้าวลูกหัวยิ่มไหมลูกเห็นลูกไหมลูกจากอ้าปากนั่นมองหน้าแม่เห็นแม่พ่อนข้าวน้องแม่ก็อ้าปากแม่แต่ลูกพูดมันเป็นไม่ลูกพูดเสียลูกก็อ้าปากจากหัวเราะใส่แม่แม่ก็ถวยโอกาสนั่นเอาข้าว้อนเข้าไปในปากลูกก็คืนเอา เอาเข้าวใสกปากพวกปืนเขามันเองเมื่อมรูจม้จะเลืนเข้ามันก็เจริญเติบโตวความเติบโตของคีิตของโลกไม่มีใครบังคับเขาโตเขาเองเพียงแต่แม่เอาข้าวใส่ปากเอานอมใส่ปากแต่การเติบโตการคืนการโตเป็นเรื่องของเขาเราก็เหมือนกันรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปกับกายกับใจการเจริญเติบโตเป็นเรื่องของ กายของจิตที่มันได้สัมผัสกับกลมรู้สึกตัวกายเป็นมักเป็นผลเป็นสินเป็นสมาธิเป็นบัญญาไปเราจะเรียกว่าเลี้ยงชีวิตสิกขาและธรรมเป็นการเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็น ชีวิตผมจหัจ์ไม่ใ ช, ช่ไม่ใช่ชีวิตที่เป็นเลือดเป็นเนื้อเลือดเนื้อเนี่ก็นี้ไม่พ้นจากปินทับอาหารปินทับาหารแต่ชีวิตเปนผมมหัจฉ์ที่เหนือการเกิดเ จ, จะตายได้จากตัวเราพ้นตัวเราคือมีสติลงไปมีสติลงไปมื่อก็ตัวมันก็โตขึ้นได้งองกับหลังไป สเดือนสาเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันก็มันก็มองเดินไแปบบมันก็สูงกว่าเก่าชักหน่อยต่างเก่าชักหน่อยอยู่แต่ก่อนเราเคยลักเคยชังอยู่ในความโลกของกรธควหลงข้า ม, า, มามวันข้ามคืนอ้าพอเราจึกจุดตัวขึ้นมามันก็ไม่เป็นรอยไม่เป็นแผลมันน้ําแล้ว อดความมีจีตบนน้ำาบายกไม่ขึ้นน้ำก็ดีไม่มีแผลจิตใจของเราที่ฝุดหัดมีสติเนี่ยมันลบลอยลบลอยลักลอยแค้นลอยสุกลอยทุกลอยแพลอยชนะทุกชีวิตก็ลุยมาแบบเนี้ยความสุขก็มีความทุกข์ก็มีความแพ้ความชนะการได้การเสียมีกันทั้งนั้น ชีวิตของเรามันมาอยู่บนโลกของของโลกโลกกระทำไม่มีใครหนีพ้นจากโลกกระทำผู้ที่หนีพ้นจากโลกกระทำคือมีสติเท่านั้นก็อยู่เหนือมันสักถ้าเราไม่มีสติก็อยู่ใต้โลกกระทำครอบงำเราคือฉกทุกใต้เสือนินทาสัมเสริญ มันก็ทำให้เรามันชักเราก็เป็นหน่นให้โรคจะทาชัก่าไปพอปฏิบัติมาได้หนึ่งเดือนโอ้มันก็มันก็เจ็บได้เราเคยสูกความโกรธความเบียดเบียนเคยเอารัดอเอาเปรียบเราเคยได้หลังใจเราไม่ได้หลังใจการได้หลังใจก็คิดถึง การไม่แรงใจก็เสียใจเสียใจดีใจอยู่เป็นโลกของบุถุชนพอมันมีเสียยๆโอ้ขึ้นมาพอมันไปปับ๊บเดียวมึงขับมาได้หมดแล้วชีวิต ท, ที่ผ่านมามองขนหัวลุกโอ้โหละขนหัวลุกถ้ามองถึงอดีตตะการที่ผ่านมาขนหัวลุกมันคิดไปได้ มันคิดไม่ได้อยากเอามือไปลูบหัว ใ, ใจอยากเอามือไปลูบหัวบางเทีก็อกเอามือลูบหัวเหมือนกับมันเช็ดออกมันเช็ดล่องลอยแห่งความสุขความทุกข์อดีตที่ผ่านมาแต่วันคิดทีใดมันขนหัวลูกบางทีมันไม่มันไม่ไปแต่ถ้าเราไม่มีสติเรายิ่งมีรสชาติความสุขก็มีรสชาติความทุกข์ก็มีรสชาติ ได้หลงไปพอใจที่จะโกรธพอใจที่จะทุกข์พอใจที่จะสุขจนถึงกับทำตามความพอใจในความโกรธด่ากันข้ากันในความเราก็ตัดเินใจตามใจเขาหมดหมดเนื้อหมดตัวเกียบเปรียบเขาเราหลง เพราะเราจึงมามีสติเนี่ยโอ้ยได้ชีวิตขึ้นมาชีวิตของเรากลับมาเป็นของเราแล้ววันนะ้แต่ก่อนชีวิตเนี่ยเอาห้อยเอาแขนไว้กับเจงอื่นกับคนอื่นก็เบ็ากเอาไว้อย่าเป็นเลยนะอย่านอกใจนะรักกันนะตกลงกันนะ กอดคนได้นะกดหล่อมลงเดียวกันนะลงหลุมเดียวกันนะจึง เ, นะเสียใจเมื่อเชียงนั่นที่เป็นไปเสียใจร้องพ่อไปเป็นเด็กเลียงวัวสมัยผีดับปีปสองพนะสี่ร้อยอ่า สองพันสีร้อยแปดแปดสิบแปดบ้า น, น, นอา่อายุผมว่าปราเจ็ดแปดปีเ้าปีสิปีไม่เกินพีดะบ้านน้องพ่อตายกันป่าเหลืองหมดเลยน้องพ่อก็เป็นพีดะเหมือนแต่ว่าไม่ตายน้องชายคนหนึ่งเป็นพีดะตาบอดเลย ไม่ตายสักคนแต่บางคนอื่นต่อเยอะบัดนี้อีตาเสริมเมียเราตายเมียเราก็อยู่ใกล้ๆกันบ้านใกล้กันตาเสริมนี่รักเมีย ม, มากแต่เมียตายเสียใจไปป่าชาทุกวันเราบอสไปเลยเลี้ยงควายเวลาควายเลี้ยงเข้าป่าชาไปนั่งดู อี่เธอเสริมเนี่ยนอนเลียงหลฟงฟองศกขีดขีดไว้อเมทไปขีดทำท่าจะกุดหลุมจะรอนลงไปที่หลฟงฟองศกของเนี้ยจนเป็นบ้าคนมาเอาไปรักษาก็ยังบ้าตัวเองทำถูกแล้วความรักลู ก, ล, กลักเนี่ยก็ต้องถึงปานนี่แหละนอนตายด้วยหลุมเดีวกันเอาไปเอามา หลายวันหลายเดือนหลายปีมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอา้าวอีตาเสริมคนนี้เป็นรักผู้หญิงคนใหม่เราผู้หญิงคนใหม่เอา้าลืมเนี่ยรต่ลื ม, <c oughs> มนี่นะถ้าฟังให้ดี <c oughs> เห็นมาแล้วหลวงพ่อเป็นทุกข์เป็นทุขอุย้ยขดหัวลุกเลยเคยเหมือนกันหลวงพอ่อเคยเคยเสียใจาะความรักพัดาจาก พ่อตายแม่ตายหลานตายโอ้ยเป็นถ้าใครไม่เคยพบเห็นเรื่องนี้จะรู้สึกว่าจะไม่มีอะไไม่มีอปไรถ้าเราปลุยมาแล้วนะตัวโตเมื่อเราเคยดูอย่างนั้นมาเปิดเพื่อนมาพอมาปฏิบัติธรรมนะเห็นกรรมของตนเห็นกรรมของตนที่มันแสดงออก โอ้ยคนดหัวลูกเลยมันไม่ลืมมนมันไม่หนีไปไหนไะม่ฉายองให้เราดูคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำชั่วกับเรามีแล้วก็ฉายออกมาลูบยกเงื่อไหในใจเปลมขอทั่วคอไปเคยอิจฉากันขอทั่วคอไปตั้งแต่วันนี้เป็นต่อไปลบแล้วไม่มีบาปไปเบี่ต่อกันแล้ว เรามองว่าจัตเตสตาในลึกซึ้งหัวใจล้างบาปมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่โลกแบบเฉยๆมันเป็นชีวิตของเรายึดของเราที่มันพ่นจา ก, จ ก, ก, ากความสกปรซาสู่ความสะอาดเหมือนผ้าไม่ชีทิหนุ่งขาวสะอาดมองลื่นตาแต่ผ้าสกบกมันก็มองแบบสงสาร เหมือนหลวงพ่อยเป้าไม่ขี้อุดดำดำเนาะเหมือนกับว่าไม่มีผ้าถือเปล่าน้อคิดจะช่วยทำไมถือผ้าดําเก่าขนาะดมันไม่ใช่ผ้าดำหลวงพ่อมันเป็นผ้าแบบเองผ้าสีเออดูโอ้กลายเป็นเรื่องของความงามของมันดําแต่หลวงพ่อดูเรามันดําๆ เหมือนกับจำไหรหนึ่งหลวงพ่ออยู่กับมหาค้ำบงังด็เตอร์มหาค้ำบงังเป็นนักเทศด้วยกันจำไรอ่านมาแล้วไปวินรท บ, บารไปสวนลมนี้ด้วยกันไปวินเท บ, บาร์มหาค้ำ บ, บงังแน่เป็นผ้านหนุ่มกว่าหลวงพ่อแต่ว่าผ้าจีวรไม่ค่อยซักบางทีแบงปันเนี่ยน้าแบงปันลาดตรงตามผ้าขาวๆไปคอะ เวลาไปพิธีบาแม่จะอยู่ด้วยกันก็ได้กิ่นผ้าไม่สะอาดจนคนชสบาทอะที่วัดไม่มีใครถวายผงสักผ้ารือโอ้เตนะือีแล้วจอ่าอ่าเป็นถ้าท่านนี้ยอันนี้มันสกปรกของผ้าภายนอกเรากระทบกระเทือนคนอื่นด้วยถ้าสกปรกภายในของเรากระทบตัวเรานี่มากกว่าการเห็นผ้าเห็นน่ะ เป็นการแก้ปัญหาก่อนอะไรทั้งหมดเลยมากรมากรสติถึงก่อนเลยถึงจิตถึงใจนี่ถึงไที่สุดอันถึงตาถึงหูถึงจมูกดิ่นนี่ยช้าชาก็ได้แต่ว่าใจย่อหย่อนไม่ได้เลยย่อหย่อนไม่ได้หรอกเอาเลยเอาเลยลูกปับป๊บลูกปั๊บสมนําหน้ามันถ้าได้เปลี่ยนความหลงที่เกิดจากใจเป็นความรโลนโว่สุดยอดเลยสุดยอดเลย สุดยอดเลยมาเถอะมาเถอะได้สบายมากไม่มีสบายอะไรที่เจ้ากับฝึกกิจของตนเองสอนได้ไม่เหมือนสอนอย่างอื่นพระริเจ้ายังเปรียบพระองค์เหมือนอสารถีที่ฝึกมาพี่ฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าสารถีคือ ผู้หัดฝึกมาพระเจ้าสอนสารถีหัดขับรถว่าสารีเขาก็เจ้าเหมือนกัน่ะขับรถว่าแล้วพระพุทธเจ้าไปเทศน์โพดแล้วเมื่อสารตีเนี่ยเมื่อตัวใดฝึกยากไม่ไหมฝึกง่ายมีไหมมีเหมือนกัน เมื่อบางตัวฝึกง่ายเพียงแต่ยกไปตักขึ้นกระดิกสายบางเหยียนจะหน่อยก็ไปแล้วกระดิกสายบางเหยียนจะหน่อยก็ไปหัวไปท้ายได้เพียงแต่เราตึงจะหนอมก็หยุดเพียงแต่เราทุกเขี้ยวมันก็ไปแล้วฝึกง่ายแต่เมื่อบางตัวต้องยกไปตักขึ้นยกไปเหลรยวขึ้นจึงลู่เรื่อง แจงไปความกับบอกซ้ายขวากระดิกเชือกไปกันเรียกว่าทกรู้จักทุกไปขี้น้อยทกเคยทกทกุทกทกุเออผัดกว่ากวาทุกนะทกไปซ้ายทกไปขวานะอาศัยเชือกหกตะพายนั่นมาบางตัวยกปัตตักขึ้นยกไม่ตะฟดขึ้นไม่ยอม จนว่วไม่เดียวถูกหลังตัวเองเจ็งไปเมื่อบางตัวแม่ไม่เลียวถูกหลังตัวเองไม่เห็นเลือดยังไม่ไปเให้เลือดเป็นไรเอามาดม้อมาดื้อ ม, ม, มีเหมือนกันนะแต่เมื่อบางตัวเนี่ยึกไม่ได้เลยสาธีทำไงเอ็ข่ามัน เดืสันติก็ถามพระเจ้าอ่ะเหมือนกันกันกบเธอเอา้าพระพุทธเจ้าฆ่าคนหรือคนฝึกไม่ไรข่าเหมือนกันฆ่ายัางไงหยุดสอนไม่บอกไม่สอนเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดเลยเป็นการลงโทษที่หนักที่ไม่สอนเลยแล้วพะระลบนี่สามเ น, น, นินลบนี่ไม่เชียวนี่บอกยากเกินพิกิตรว่ายากสอนยาก พิสืจน์ตักเตือนว่าเก่าวตักเตือนให้ละพ่อที่เป็นถ้าไม่ละเท่าไร่ก็ออกตัวเท่าไรก็ไม่สอนเลยเรียกว่าฆ่าฆ่าแบบคนจาไม่ใช่เอาไปฆ่าเหมือนสารถีไปฆ่ามากไม่ใช่ยังเอาไวไ้ไหมหลวงพ่อเคยไปประเทศพมา่าที่เป็นมา้ามากที่สุดรถมากมากที่สุดไปดูเขาฝูกม้านะม้าบางตัวฝึกไม่ไร้เขาก็เอาไปสนามมา้า กวางใหญ่ไพศาลโฉส่ ง, ส ง, ส ง, สงหัวโตาในรั่วกางแปลงล้อมสูงสารทีเขาก็ับไปฝึกเขาจับเชื่อกันเอามัดล ด, ล ด, นนะ ล, ดลดยางนะล่อยางลดยางมัดใส่คอมาปล่อยเลยเันมาวิ่งไปหลบลุกการวิ่งไปว่าวิ่งเท่าไหร่มันก็ลุดจากคอมันไปี้ยงไปนสารทีก็นั่งอยู่ประตู จนมันพารถม้าเดินจนหมดแหลงเดินออกมาหลายทีก็ไปจับมา้ามาถอดออกจับรถใส่คอมนเลยนั่งให้มันพาไปตลอดมันก็ไปวิธีฝึกว่าของมา้าบางตัวที่จะต้องทําแบบนั้นก็มีแต่มาบางตัวมันต้องทำแบบนั้นชันตีใช่ได้ชันตีไม่ก็ แต่ไว้ก่อนก็เป็นเด็กเลี้ยงควายเลี้ยงวัววัวบางตัวมันดือ้อเวลาออกปล่อยไว้เลี้ยงมันรอบกลับหลังมาเข้าสวนชาวบ้านไม่ต้องไปหายจีนบนโคกมันลักเข้าไปในสวนไปแอบจินบนสวนกระโดดรั่วเข้าไปสวนเขาล้อมรั่วสูงขนาดไหนก็โดดเข้าไปเขาก็ เจ้าของก็เอาเอาค้นเอาท่อนง่ายท่อนเท่าขาเนี่ยูก<ฮ><ฮ>เชือกแขนคอมันมันก็ไม่โดดขึ้นแลวป่ะมันก็ไปกระหมวป่ะ<ฮ><ฮ>ลากข้นไป <laughs> ินกนทั้งบันเลยเอาปาก็เชื่องได้เหมือนกัน<ฮ>นะเ่านี้ทารสอนตัวเองก็ให้มันง่ายๆ<ฮ>เวลาใดเท่าัน โกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเวลาใดมันทุกข์ ก, ก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เวลาใดมันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงหลงพ่อก็พูดอยู่เท่านี้แล้วก็สอนเราความพูดเท่านี้มันมีเยอะๆที่เราไปสอนเราวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะอาจารย์ยุจิผ่าสวดไ ป, ไป